วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สิบสามกรกฎาคมพุทธศักราชสอง8ันห้าหกสิบปดเป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ใฝ่รมผู้ปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมา ฟังเทศฟังธรรมมาศึกษามาปฏิบัติธรรมเพื่อการดับของความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปการแสดงธรรมและการปฏิบัติธรรมที่นี่ก็จะมีแบ่งเป็นสองช่วงด้วยกันช่วงแรกคือ30นาทีแรก จะเป็นการแสดงธรรมแสดงคำสั่งคำสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าแล้วช่วงที่สองอีก30นาทีก็จะเป็นช่วงปฏิบัติธรรมคือการเจริญสมมาภาวนาการฝึกสมาธิการทำใจให้นิ่งให้สงบให้เกิดความสุขที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง สำหรับธรรมที่จะมาแสดงกันในวันนี้ก็คือพระนิพพานอะไรคือนิพพานนิพพานก็คือจิตที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศ จ, จากความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆที่เป็นเหตุให้มีการเวียนว่ายตายเกิด มีความทุกข์ต่างๆตามมาอย่างไม่มีวันสิ้นสุดผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะสามารถชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เป็นนิพพานขึ้นมาได้ นิพพานนี้ไม่ใช่เป็นสถานที่แต่เป็นสถานสถานภาพของจิตใจจิตใจที่ไม่ได้รับการอบรมขัดเกลาวด้วยธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะเป็นจิตใจที่เต็มไปด้วยความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆ ที่พาให้จิตใจไปเวียนว่ายตายเกิดในภพต่างๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุดสร้างความทุกข์ให้แก่จิตใจอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดขึ้นมาเพรเมื่อได้มีร่างกายแล้วก็ต้องทุกข์กับร่างกายในการเลี้ยงดูร่างกายในการทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง ในการป้องกันรักษาร่างกายให้คงอยู่ไปได้เรื่อยๆแล้วก็ต้องมาทุกข์กับความแก่ของร่างกายทุกกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายทุกกับความตายของร่างกายและทุกกับการพัดพรากจากของรากของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงไปนี่คือสภาพของจิตใจที่ ยังไม่ได้รับการขัดเกลายังไม่ได้รับการอบรมศึกษาปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า<ม>ก็จะเป็นจิตใจที่ติดอยู่ในสังสารวัฏคือในในการเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ตามอำนาจของบุญของบาปที่ได้กระทำเอาไว้ ใจนี้อยู่ที่ไหนใจนี้เป็นธาตุรู้เป็นกายทิพย์อยู่ในโลกทิพย์โลกทิพย์นี้ก็จะมีแบ่งเป็นสองขั้วด้วยกันเหมือนขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกใต้ของโลกเหล่านี้ในโลกทิพย์ก็จะมีแบ่งเป็นสองขั้วขั้วที่มีการเวียนว่ายตายเกิดเรียกสังสารวัฏ และขั้วที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดเรียกว่า น, นิพานจิตที่ได้รับการซักฟอกด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าก็จะอยู่ในซิก ข, ของพระนิพานซิกที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดซิกที่ไม่มีความทุกข์ต่างๆซิกที่มีแต่บรมมะสุข เธอมีความสุขที่ยั่งยืนถาวรไม่มีวันสิ้นสุดส่วนจิตใจที่ยังไม่ได้รับการซัก พ, พอกได้รับการชำระให้สะอาด บ, บริสุทธิ์ก็จะอยู่ในซีกของสังสารวัตรอยู่ในซีกของการเวียนว่ายตายเกิดในตายพบซีกของสังสารวัตนี้จะมีแบ่งไว้เป็นสาม สามส่วนด้กันเรียกว่าสามพ บ, มรพ บ, มมพบหรือไตรพบมีการมาพบือธี่ของผู้ที่เสพกรรมเสพกรรมมาคุณห้าได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสผลธัพพชนิดต่างๆผู้ใดที่ยังเสพกรรมอยู่เช่นมนุษย์เทวดาเดชะชานเปรศสุลกายสัตว์นรก วิญญาณเหล่านี้ก็จะมาเกิดในการมาพบเกิดเกิดเป็นมนุษย์ เ, เกิดเป็นเทพเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นเปรตก็ขึ้นอยู่กับบุญหรือบาปที่ได้กระทำเอาไว้ในการมาพบนี้ก็แบ่งไว้เป็นสองส่วนด้วยกันส่วนหนึ่งเรียกว่าทุกขติ อีกส่วนหนึ่งก็คือสุขคติทุกคติก็คืออบายสีได้แก่ที่อยู่ของสัตว์เดรัจฉานของเปรตของอสุรกายและของนรกผู้ที่ไปอยู่ในซีกของทุกตตินี้ก็เกิดจากการทำบาปต่างๆคือไม่รักษาศีลห้านะทำบาปด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ด้วยการรักทรัพย์ด้วยการประพฤติผิดในการด้วยการโกหกพูดปลดด้วยการดื่มของมึนเมาต่างๆถ้าก็มีการกระทำเหล่านี้ดวงวิญญาณก็จะไปเวียนว่ายตายเกิดในทุกขติตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างถ้าทาบาบด้วยความหลงไปเป็นเปรตบ้างถ้าทาบาบด้วยความโลภ ไปเป็นอสูรกายบ้างถ้าทำบาลด้วยความกลัวไปนรกบ้างถ้าทำบาลด้วยความมาคาดพยาบาทจองเวรจองกรรมนี่คือซีของทุกขติของผู้ที่เสพกรรมผู้ที่อยู่ในกามมพบถ้าทำบาปไม่รักษาศีลห้าเวลาตายไปดวงวิญญาณก็จะต้องไปเกิดในสถานที่สีแห่งนี้ ที่เรียกว่าอบายสีเป็นเป็นส่วนของทุกขติคือเวียนว่ายตายเกิดในภพที่มีแต่ความทุกขกกตินี้แทบจะหาความสุขไม่ได้ถ้ามีก็น้อยกว่าความความทุกขส่วนอีกสอีกอกาคหนึ่งเรียกว่าสุขติคือที่เวียนว่ายตายเกิดของผู้ที่ไม่ทำบาปทำแต่บุญ ถ้าไม่ทำบาปก็จะปิดประตูอบายแล้วถ้าทำบุญก็จะเวียนว่ายตายเกิดในสุคติคือในสวรรค์ชั้นต่างๆที่มีอยู่หกชั้นด้วยกันเป็นสวรรค์ชั้นเทพเวลาที่ตายไปถ้าบุญนี้มีมากกว่าบาปบุญก็จะพาให้ดวงวิญญาณไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆ สูงต่ำอยู่ที่ว่าได้ทําบุญมากน้อยเพียงไรทําบุญมากก็จะไปเกิดในสวรรค์ชั้นสูงที่มีความสุขมากทําบุญน้อยก็จะไปเยอะเกิดในสวรรค์ชั้นชั้ น, นต่ําที่มีความสุขน้อยกว่า mm hmm. หลังจากที่บุญที่ได้ส่งไปหมดกําลังลงก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็จะกลับมาทําบุญ หรือทำบาปต่อไปใหม่ถ้าเคยทำบุญก็มักจะกลับมาทำบุญต่อพวกที่เวียนว่ายในสุคติพวกที่เป็นเทพพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมาเป็นมนุษย์ที่มีความใจบุญสูนทานชอบทำบุญไม่ชอบทำบาปส่วนพวกที่มาจากอบายหรือมาจากทุกขติ ตรนี้จะชอบทำบาปไม่ชอบทำบุญก็จะกลับมาทําตามที่เคยได้ทําไว้ในอดีตชาติเคยทําบาปชอบทำบาปแบบไหน mm. ก็มักจะมาทําบาปแบบนั้นต่อไป mm. แล้วพอร่างกายตายไป mm. ก็ไปรับผลบุญผลบาปต่อไป mm. นี่คือการเวียนว่ายตายเกิดของผู้ที่เสกกามอยู่ในกามมาพบ เป็นหนึ่งในสามภพด้วยกันนอกจากการมาพบแล้วก็มีรูปภพกับอรูปภพรูปภพนี้เป็นภพของของพรหมที่มีรูปเขาเรียกว่ารูปประรมส่วนอรูปภพนี้เป็นภพของผู้ที่เป็นพรหมที่ไม่มีรูปเรียกว่าอารูประพรมรูปประพมนี้เป็นสวรรค์ที่สูงกว่าสวรรค์ชั้นเทพ ที่เกิดจากการทำบุญทำทานสวรร์ชั้นรูปประพรมนี้เกิดจากการฝึกสมาธิเกิดจากการได้รูปฌานหนึ 4, ่งถึงสี่ผู้ได้ฝึกสมาธินั่งสมาธิแล้วสามารถทําใจให้สงบเข้าสู่ฌานขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามหรือขั้นที่สี่ได้ก็จะไปสู่รูปประพเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว จะไม่ไปเกิดนายบายจะไม่ไปเกิดเป็นเทวดาแต่จะไปเกิดเป็นพรหมเป็นรูปประพรมเป็นสวรรค์ที่มีความสุขมากกว่าความสุขของสวรรค์ชั้นเทพที่เกิดจากการทำบุญทำทานแล้วสูงกว่าสวรรค์ชั้นพรหมชั้นรูปประรมก็มีสวรรค์ชั้นอรูปประรมสวรรค์ชั้นอรูปประรมนี้เกิดจากการได้ สมาธิในขั้นอรูปปัจจานสมาธินี้มีแบ่งไว้สองระดับระดับรูปปัจจานมีอยู่สี่ระดับอรูปปัจจานที่ที่ละเอียดกว่าที่สุขกว่ามีอีกสี่เรียวกว่อาอรูปปัจจานสี่ผู้ที่ได้อรูปปัจจานสี่เวลาร่างกายตายไปก็จะไปเกิดใน อรูอรูปภพไปเกิดเป็นอรู ป, ปรภมแล้วหลังจากที่อำนาจของสมาธิเสื่อมลงหมดลงก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มักจะกลับมาปฏิบัตินั่งสมาธิใหม่เพราะเคยได้รับความสุขจากการนั่งสมาธิที่ เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่เกิดจากการเสกกรม mm hmm. พวกที่ได้รูปฌานหรืออรูปฌานที่ได้ไปเกิดในรูประพบหรืออรูประพบนี้ mm hmm. เวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ mm hmm. ก็มักจะกลับมาเป็นนักบวชกันเพราะว่าชอบหาความสุขจากการเข้าสมาธิเข้าฌานกันนั่นเอง mm hmm. ก็จะเหินว่าตายเกิดในรูประพบหรืออรูประพบ ไปเรื่อยๆแต่ทั้งสามภพนี้ก็ยังต้องมีการกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่เมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะต้องมาเจอกับความทุกข์ของการของความแก่ของความเจ็บของความตายของการพัดพากจากกาันอมีคือซีของสังสารวัฏมีอยู่สามสามภพด้วยกันการมาพบ รูปภพและอรูปภพดวงวิญญาณก็จะติดอยู่ในในภพทั้งสามนี้เวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าจะได้มีโอกาสมาพบกับพระพุทธเจ้าหรือพบกับพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือพบกับพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าที่จะสอนให้ออกจาก สังสารวัฏได้เอาอจากตายพบได้ด้วยการปฏิบัติธรรมที่สูงกว่าธรรมที่ได้ปฏิบัติกันคือผู้ที่เวียนว่ายตายเกิดนี้ก็จะมีการปฏิบัติทานสิงสมาธิกันแต่ไม่มีการปฏิบัติปัญญากันเพราะไม่มีใครรู้ว่าปัญญาคืออะไร ไม่รู้ว่าความรู้ที่จะทําให้ตนเองได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนั้นเป็นอย่างไรต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ปัญญาขั้นนี้ก่อนปัญญาของพระพุทธเจ้าที่ทําให้ผู้ที่ได้ถึงเข้าถึงได้หลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้โยกย้ายจากสังสารวัฏเข้าสู่นิพพาน ก็คืออริยสัจสี่ตายรักนี่เองต้องต้องได้ยินได้ฟังได้พบกับอริยสัจสีได้ยินได้ฟังได้พบกับตายรักอันนี้จังทุกขงังอนัตตาเราสามารถสอนใจให้ปฏิบัติตามกฎของตายรักณได้ตามกฎของอริยสัจสี่ได้ก็จะสามารถทำให้ใจนี้หลุดออกจาก สังสารวัตได้เข้าสู่พระนิพพานได้ น, นี่คือเรื่องของใจเรื่องของดวงวิญญาณที่เป็นกายทิพที่อยู่ในโลกทิพไม่ได้อยู่ในร่างกายของเราไม่ได้อยู่ในโลกของร่างกายโลกของร่างกายนี้เราเรียกว่าโลกกธาตเป็นโลกที่มีธาตุสี่เป็นส่วนประกอบมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเป็นส่วนประกอบของโลกนี้ ของทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้ล้วนทำมาจากธาตุสี่หรือธาตุใดธาตุหนึ่งของธาตุสี่ธาตุน้ำบ้างธาตุดินบ้างธาตุลมบ้างธาตุไฟบ้างบางทีก็รวมกันทั้งสี่ส่วนเช่นร่างกายของมนุษย์ร่างกายของเดรัชานต้นไม้ต่างๆนี้ก็มีประกอบด้วยธาตุทั้งสี่คือต้องมีธาตุดินธาตุน้าธาตุลมธาตุไฟที่ เหมาะสมก็จะสามารถทําให้เกิดร่างกายของมนุษย์ได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานได้ร่างกายของต้นไม้ต่างๆได้นี่คือใจที่เวียนว่ายตายเกิดหรือใจที่ไม่เวียนว่ายตายเกิดหรือจิตจิตกับใจนี้เป็นคําหมายเป็นตัวเดียวกันเป็นาธาตุรู้ เป็นธาตที่มีความสามารถที่จะมีความรู้สึกนึกคิดได้่าตอื่นนี้ไม่มีความสามารถที่จะรู้สึกนึกคิดได้้าดินนี้ไม่สามารถรู้สึกนึกคิดได้้าตน้ำไม่มีสามารถรู้สึกนึกคิดได้้าตลมธาไฟไม่สามารถรู้สึกนึกคิดได้มีธาตุรู้เพียง่าตเดียวเท่านั้นที่มีความรู้สึกนึกคิดได้แต่ธาตุรู้ที่มีความรู้สึกนึกคิดที่ ขีดที่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็จะเป็นโมหะอาวิชชาก็จะสร้างกิเลสตันหาขึ้นมาแล้วก็จะพาให้ธาตรู้นี้ติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏแต่ถ้าธาตุรู้ได้เจอกับคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าได้พบปัญญาของพระพุทธเจ้าคือพบอริยสัจสี่พบไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาได้ ก็สามารถที่จะซักฟอกกิเลสตัณหาโมหะวิชาที่ครอบงำจิตใจให้ให้หายออกไปจากใจได้ทําให้ใจหรือธาตุรู้นี้เป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์เมื่อใจที่เป็นธาตุรู้นี้สะอาดบริสุทธิ์ก็ไม่มีเหตุที่จะเดึงให้ใจต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปใจก็จะย้ายจากซีของสังสารวัตรมาอยู่ซี่ของนิพพาน เหมือนกับย้ายขั่วอยากขั่วโลกเหนือก็มาอยู่ที่ขั่วโลกใต้เป็นต้นนี่คือนิพพานนิพพานไม่ใช่สถานที่สถานภาพของจิตใจหรือธาตุรู้ของพวกเราทุกคนตอนนี้พวกเราทุกคนนี้อยู่ในสี่ของสังสารวัฏบางท่านก็เหวียนว่าตายเกิดในกรรมมาพบ ถ้ายังติดอยู่กับรูปเสียงกลธธิ่นรสโผฏฐพัชชนิดต่างๆยังติดอยู่กับการดูหนังฟังเพลงติดอยู่กับการไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปดูไปฟังอะไรต่างๆไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆหรือติดกับของต่างๆที่สวยงามของหรูหราของอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นสิ่งเหล่า น, นี้ล้วนเป็นการมคขุนห้าที่จะทำให้จิตใจผู้ที่เสพนี้ เป็นเหมือนผู้ติดยาเสพติดจะต้องคอยหากลามาคุณห้านี้มาเสพอยู่เรื่อยๆเสพไปจนถึงวันที่ร่างกายตายไปพอร่างกายตายไปความอยากที่จะเสพกามาคุณห้านี้ก็ยังไม่ได้ตายไปกับร่างกายมันก็ยังฝังอยู่ในใจก็จะดึงใจให้ไปเกิดใหม่เพื่อที่จะได้กลับมาเสพกามาคุณห้าใหม่ก็จะดึงใจให้กลับมาเกิดในกรรมมาพบมาเกิดเป็นมนุษย์ แล้วก็มาหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็ไหนแล้วก็มาทำบุญทำบาป mm hmm. ไปพร้อมๆกันแล้วพอตายไปก็ต้องไปรับผลบุญผลบาปถ้าเป็นผลบาปก็ไปเกิดในในทุกขติถ้าเป็นผลบุญก็ไปเกิดในสุกติแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่หลังจากบุญหรือบาปที่ได้ทำไว้หมดไป ก็จะเวีนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด <Yeah. S 1> จนกว่าจะได้มาเจอกับพระพุทธศาสนาอย่างที่พวกเราได้มาพบพระพุทธศาสนาในภพนี้ชาตินี้ <Yeah. S 1> เป็นโอกาส <Yeah. S 1> วิเศษที่หายากยิ่งกว่าการถูกวัตลี่รางวัลที่หนึ่งการถูกวัตลี่รางวัลที่หนึ่งเราก็รู้ว่ายากแสนยากขนาดไหนแต่การมาได้มาเจอกับพระพุทธศาสนา ได้มีโอกาสได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมคาสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นโอกาสที่หายากมากกว่าการถูกกตัญญูรางวัลที่หนึ่งหลายล้านเท่าด้วยกันดังนั้นพวกเราจึงต้องถือว่าพวกเรานี้เป็นพวกที่โชคดีมหาศาลที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ <c oughs> แล้วได้มาพบกับพระพุทธศาสนามาได้ยินได้ฟังเพื่อทำคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ จะไม่มีโอกาสได้ยินได้ฟังถ้าไม่ได้เจอกับพระพุทธศาสนาก็าคือจะไม่ได้ยินเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดของดวงจิตดวงใจไม่ได้ยินเรื่องวิธีการที่ยะยุติการเวียนว่ายตายเกิดด้วยการปฏิบัติมักที่พระเจ้าส่งได้คนพบก็คือการปฏิบัติทานศีลภาวนาทำบุญททานรักษาศีลแล้วก็ภาวนา ทำจิตให้สงบเป็นสมาธิแล้วหลังจากออกจากสมาธิมาก็จเจริญปัญญามั่นพิจารณาตายักษ์ในสิ่งที่ใจยังติดยังอยากได้อยู่ก็คือกามกุลหพิจารณาให้เห็นว่ากามกุลหา้ารูปเสียงกลิ่นรสนี้เป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยมเป็นของชั่วคราวไม่สามารถให้ความสุขแบบถาวรได้ เป็นอนัตาไม่ไม่สามารถบังคับมันให้เป็นของเราให้ความสุขกับเราไปตลอดได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็จากเราไปพอมันจากเราไปมันก็จะทําให้เราเศร้าโศกเสียใจเจอกับทําให้เราทุกข์ใจกันถ้าไม่อยากจะทุกข์ใจก็ต้องหยุดความอยากที่จะไปเสพรูปเสียงเลี่ยนลดต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเมื่อหยุดความอยากได้การที่จะมาเวียนว่ายตายเกิดก็จะ หมดสิ้นไปใจก็จะอยู่ในสภาพของใจที่นิ่งสงบใจที่มีความสุขที่เรียกว่าปัมังสุ ข, ขังนิบานังปัมังสุ ข, ขังใจก็จะย้ายจากซีของสังสารวัตเข้าสู่ซีของพระนิพพานไปอย่างใจของพระพุทธเจ้าและใจของพาอาระอรหันตสาวกทั้งหลายนี้อยู่ในซีของสังสารวัตร สนใจของผู้ที่ยังไม่ได้เข้าถึงนิพานนี้ก็ยังตั้งต้องเวียนว่ายตายเกิดในสั ง, ส, งสารวัตรต่อไปแม้แต่ใจของพระอาริยบุคคลขั้นที่หนึ่งที่สองที่สามนี้ก็ยังไม่ได้เข้าถึงพา น, นิพา น, น, พานเช่นพระโสดาบันนี้ขั้นที่หนึ่งนี้ก็ยังติดอยู่ในการมาพบอยู่ยังต้องกลับมาเกิดในกามพบแต่ไม่เกินเจ็ดชาติก็จะออกจากการมภพบได้ แล้วก็จะไปติดอยู่ในรูปภพหรืออารูปภพต่อไปขั้นที่สองคือขั้นพระสกีดาคามีก็ยังติดอยู่ในการมาพบอยู่แต่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นเอง <Down S 2> เพราะมีปัญญามากขึ้นมีกำลังที่จะตัดการมกามาการมาราคะได้มากขึ้นนั่นเองจึงทำให้การจะต้องกลับมาเสพกาม า, าราคะนี้น้อย น้อยลงไปพบช่ายก็จะเหลือเพียงพบพบเดียวถ้าขึ้นถึงขั้นที่สามคือขั้นพระนาคามีได้ก็จะสามารถตัดการมาราคะคือการอยากเสพการได้อย่างสิ้นเชิงก็จะไม่ไม่กลับมาเกิดในกามะพบอีกต่อไปไม่กลับมาเกิดเป็นเทวดาไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์<ม>แต่ยังต้องไปเกิดเป็นรูปประพรมหรือรูปประพมมอยู่เพราะยังติดอยู่กับ ความสุขของรูปฌปานหรืออรูปฌานอยู่แต่พอได้พิจารณาเห็นว่ารูปฌานหรืออรูปฌานนี้ก็เป็นตายรักเป็นอนิจจังทุกขงกังอนัตตาเหมือนกับการมคุณหพอเห็นว่าเป็นทุกข์ก็เลยตัดความอยากจะเสบรูปฌปานหรืออรูปฌปานไปพอได้ตัดความอยากเหล่านี้หมดสิ้นไปจากใจใจก็หลุดออกจากการป็นอยู่ในรู ป, ปรภพหรืออรูปภพ ก็จะออกจากพระออกจากสังสารวัฏได้อย่างสมบูรณ์เบ<ม>ื้องต้นต้องออกจากการมภพบก่อนแล้วก็มาติดอยู่ที่รูปะพบเื่อนรูปะพบพอติดอยู่กับ ร, รูปะพบเลืออรูปะพบก็ต้องพิจารณาด้วยปัญญาว่ารูปะพบรือนรูปชาหรืออรูปชานี้ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนการมาคุณหถ้ายังเสืยอยู่ก็ยังจะติดอยู่ในรูปะพบยังติดอยู่ในสังสารวัฏอยู่ ถ้าไม่อยากจะเสกเพราะเห็นว่าเป็นทุกข์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะออกจากอารูปภพหรือรูปภพได้ก็จะเข้าสู่พระนิพพานเป็นพาาระอรหันตสาวกุกเต็มรูปแบบภารียบุคคนนี้มีแบ่งไว้สี่ระดับด้วยกันสามระดับแรกคือขั้นพระโสดาบันขั้นพระสกิรดาคามีพ้านาคามีนี้ ยังติดในการมาคุณห้าอยู่ยังติดในการมาราคาอยู่ยังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในการมาพบอยู่พระโสดาบันนี้มีความติดมากเลยต้องใช้เวลามไม่เกินเจ็ดชาถึงจะหลุดได้ส่วนพระอสกีดาคาเมนี้ทำให้การมาราคาเบาบางลงเลยต้องกลับมาเกิดเพียงหนึ่งชาติก็สามารถกําจัดการมราคากาม ตันหาให้หมดสิ้นไปจากใจได้ส่วนพระนาคามีนี้สามารถกําจัดการมาลาคะได้หมดสิ้นไปก็เลยไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในการมมาพบแต่ยังไปติดอยู่ที่รูปประชาเนื้อรูปประชานอยู่ก็ต้องไปละ ร, รูปประชานเือละรูปประชานแล้วถึงจะสามารถออกจากสังสารวัฏเข้าสู่นิพพานได้อันนี้คือเรื่องของนิพพาน ที่เอามาฝากท่านในวันนี้ให้ท่านได้เข้าใจว่านิพานนี้เป็นเรื่องของจิตใจที่สะอาดบริรสุทธิ์ปราศจากความโลภความโกรธความหลงแล ะ, ะการที่จะทําใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้นี้จําเป็นที่จะต้องมาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาเท่านั้นถ้าไม่มีคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้านี้จะไม่มีใครรู้จักวิธีธทำละจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพื่อให้เข้าสู่พระนิพานได้ ต้องมีคำสั่งคำสอนต้องมีพระพูพระธรรมหรือพระสงฆ์เป็นครูเป็นอาจารย์เท่านั้นึงจะสามารถทำใจที่ติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตรนี้ให้ออกไปสู่ให้ออกจากสังสารวัตรให้เข้าสู่พระนิพพานได้ันนี้คือเรื่องของพระนิพพานเป็นเรื่องของจิตใจเป็นสาระภาพของจิตใจเหมือนกับเสื้อผ้า เสื้อผ้าที่สกโป่งนี้เราก็ต้องเอาไปซักพอซักเสื้อผ้าที่สกปก่งเอาคราบสกป่งที่ติดอยู่ในเสื้อผ้าออกไปแล้วเสื้อผ้าก็สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาเสื้อผ้าก็ไม่ได้หายไปไหนเสื้อผ้าก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่สิ่งที่หายไปก็คือคราบสกป่งที่ติดอยู่ในเสื้อผ้าขใะจิตใจที่เข้าถึงพระนิพพานนี้ก็ไม่ได้สูญหายไปไหนตามที่คนเข้าใจกันคําว่าสูญนิ่มท่านไม่ได้หมายถึง ถึงจิตใจสูญหายไปเวลาเข้าไปสู่พนานิพานท่านหมายถึงกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายที่ทำให้ใจต้องเวียนว่ายตายเกิดนี้ต่างหากที่สูญหายไปเหมือนกับคราบสกปรกของเสื้อผ้าเวลาที่เราเอาไปซักนีสิ่งที่สูญหายไปจากเสื้อผ้าก็คือคราบสกปรกแต่เสื้อผ้านี้ยังอยู่เหมือนเดิม <c oughs> จิตใจก็เป็นเหมือนเสื้อผ้า เวลาที่เราปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าคือทานศีลภาวนาเรากําลังซักฟอกจิตใจของเราให้ให้ใหใหสะอาดกาจัดคาบสกปรกคือกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาที่ทําให้ใจเศร้าหมองที่ทําให้ใจต้องเวียนว่ายตายเกิดนี้พอทําให้มันหายไปจากใจแล้วศูนย์ไปจากใจแล้วใจก็เป็นนิพพานขึ้นมา ดังที่อาจที่ท่านบอกว่านิบานังปรมังสูญอย่างนี้ท่านหมายถึงใจที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากสิ่งสโปรกที่เป็นเหตุที่พาให้ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองแต่ใจนี้ไม่ได้สูญหายไปไหนใจก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่เป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์ที่มีปรมังสุขขังมีความสุขไปตลอดไม่มีวนันสิ้นสุดใจของพระพุทธเจ้า ที่เรากราบไหว้บูชากันตอนนี้ก็อยู่ในอยู่ในโลกทิพนี้แหละอยู่ในซี่ของนิพพานอยู่ในซี่ของการไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดสนใจของพวกเรานี้ยังอยู่ในซี่ของสังสารวัฏยังอยู่ในซี่ของการเวียนว่ายตายเกิดในตายพบอยู่แต่ไม่แน่ต่อไปถ้าเราได้ศึกษาได้ปฏิบัติอย่างเข้มข้นแล้วเราก็อาจจะสามารถย้ายจากซี่ของสังสารวัฏ ให้เข้าสู่สีของนิพพานได้ดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทเจ้านี้จะไม่ได้ทำให้เราสูญหายไปไหนนิพพานนี้ไม่ใช่คำเป็นคำหมายว่าจิตใจสูญหายแต่หมายความว่ากิเลสตัณหาโมหะวิชาต่างหากที่สูญหายไปจากใจนี่ก็คือเรื่องของนิพพานเอามาฝากท่านในวันนี้ก็พอดี พอดีกับเวลาพอดีก็ต้องขอยุติการแสดงไว้เพียงเท่านี้ในลําดับต่อไปเราจะมาฝึกนั่งสมาธิกันซึ mm hmm. ่งเป็นขั้นตอนของการปฏิบัติซักฟอกจิตใจในระดับหนึ่ง mm hmm. แต่ยังไม่ใช่ระดับที่สูงสุดระดับส mm hmm. ังสูงสุดคือระดับปัญญาหรือวิปัสสนาอันนี้เราม า, มาฝึกสมาธิก่อนเพราะก่อนที่เราจะไปขั้นสูงสุดคือขั้นปัญญาได้ เราต้องมีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนกันเราจึงต้องมาฝึกสตินั่งสมาธิกันทำใจให้นิ่งทำใจให้สงบเพราะเวลาใจที่นิ่งใจสงบนี้ใจจะมีความสุขใจจะเป็นกลางใจจะไม่มีความรักชังกลัวหลงเมื่อใจไม่มีความรักชังกลัวหลงก็จะสามารถพิจารณาสิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจนและเมื่อเห็นว่าสิ่งต่างๆนั้นเป็นทุกข์เป็นนิจดังเป็นอนัตตา ก็จะได้ตัดความอยากในสิ่งต่างๆเหล่านั้นไปได้หมดสิ้นไปเพราะตัดได้แล้วจิตใจก็สะอาดบริบสุดเป็นนิพพานขึ้นมานั้นเราต้องฝึกสตินั่งสมาธิกันก่อนทำจิตใจให้นิ่งให้สงบให้ได้ก่อนการที่ทำใจให้นิ่งให้สงบได้นี้เวลานั่งสมาธินี้ต้องมีสติคอยกากับใจคอยบังคับใจไม่ให้ลอยไปกับความคิดต่างๆต้องผูกใจไว้กับกรรมฐาน กรรมาฐานก็คืออารมณ์ที่เราใช้ในการผูกใจวันไม่ให้ลอยไปกับความคิดอารมณ์นืกกรรมาฐานนี้ก็มีหลากหลายด้วยกันในตำราก็มีถึง4ี่สิบชนิดด้วยกันแต่ที่เราใช้กันเวลาเราใช้นี่เราจะใช้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นอย่างใดอย่างหนึ่งส่วนใหญ่เราจะใช้พุทธานุสติเป็นกรรมาฐาน็นอารมณ์ผูกใจก็คือให้เราเลึกถึงพระพุทธเจ้าในขณะที่เรานั่งสมาธิ ด้วยการบริกรรมชื่อของพระพุทธเจ้าคือพุทธโธพุทธโธไปเวลานั่งสมาธิต้องมีกรรมฐานผูกใจไว้ใจต้องมีสติผูกผูกใจให้อยู่กับกรรมฐานอย่านั่งเฉยเฉยถ้านั่งเฉยเฉยแล้วใจจะลอยไปกับความคิดเมื่อลอยกับความคิดแล้วใจจะไม่นิ่งใจจะไม่สงบใจจะไม่มีความสุขจะไม่มีอุเบกขาจะไม่มีกำลังที่จะไปสู้กับกิเลสตัณหาต่อไปได้ เราต้องมาทำใจให้นิ่งให้สงบให้ได้แล้วใจเราจะมีกำลังการนั่งสมาธิจึงไม่ได้เป็นการนั่งเพื่อให้เห็นนั่นเห็นนี่ไม่ต้องการให้เห็นอะไรเป้าหมายของการนั่งสมาธิต้องการให้ใจนิ่งไม่ให้คิดอะไรไม่ให้เห็นอะไรให้ใจว่างขึ้นมาเวลา ใ, ใจนิ่งใจสงบแล้วใจจะว่างเหมือนลอยอยู่ในอวากาศ ดังนั้นเวลานั่งสมาธิเราจึงต้องมีกรรมฐานไว้คอยผูกใจไว้ส่วนใหญ่เราก็จะใช้ทำบริกรรมพุทโธพุทโธแต่ถ้ายังไม่สามารถบริกรรมพุทโธได้เพราะใจยังคิดมากอยู่ฟุ้งซ่านอยู่ก็สามารถใช้การสวดมนต์แทนไปก่อนก็ได้สวดบทไตก็ได้บทอิติพิโสก็ได้บทแผ่ไม่ตาก็ได้บทมงคลลสูตรก็ได้ ปนไหนก็ได้ที่เราจำได้สวดไปเรื่อยๆแล้วใจเราจะค่อยๆคลายจากความฟุ้งซ่านลงมาเราจะค่อยๆสงบลงพออยู่ถึงจุดหนึ่งก็กจะอยากจะหยุดสวดแล้วก็เปลี่ยนมาดูลมหายใจเข้าออกแทนต่อไปก็ได้ใช้ลมหายใจนี้ก็เป็นกรรมฐานอีกอย่างต้องมีอะไรคอยยืดเหนียวจิตใจถ้าสวดมนก็สวดมนไปก่อนพออยากจะสวดหยุดสวนมนเปลี่ยนมาเป็นการดูลมหายใจก็ได้ หรือเปลี่ยนกับอยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธเพียงคำเดียวก็ได้แต่ต้องมีอะไรคอยผูกใจไว้อย่านั่งเฉยๆเวลาอะไรมีอะไรปรากฏขึ้นมาในใจก็อย่าตามไปรู้อย่าไปสนใจความคิดต่างๆเข้ามาก็อย่าไปคิดตามมีรูปมีเสียงมีภาพมีอะไรก็อย่าไปตามรู้ดึงใจกลับมาอยู่กับกรรมฐานที่เรากาลังใช้อยู่อย่าทิ้งกรรมฐานต้องผูกใจไว้กับกรรมฐาน ถ้าไม่มีกรรมฐานแล้วใจจะลอยแล้วใจจะเริ่มเกิดอาการแปลกๆขึ้นมาซึ่งอาจจะทำให้เราไม่สามารถนั่งสมาธิต่อไปได้ยังต้องระมัดระวังเวลานั่งสมาธิจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีสติผูกใจให้อยู่กับกรรมฐานอย่าทิ้งกรรมฐานโดยเด็ดขาดจนกว่าจิตจะสงบจนจิตว่างแล้วกรรมฐานก็จะหายไปเองพอบริกรรมพุโทโธพอจิตรวมนลําทาบริกรรมพุโทโธก็จะหายไป พอดูลมหายใจแล้วจิตรวมแล้วลมหายใจก็จะหายไปแต่ถ้ายังไม่นิ่งยังไม่รวมยังไม่สนิทยังไม่สงบอยากทิ้งกรรมฐ า, านไปนี่คือวิธีการนั่งสมาธิที่ถูกต้องที่คนขอให้ท่านนำมาไปลองปฏิบัติดูถ้าท่านชอบวิธี<อ>ก็สามารถใช้วิธีที่ท่านชอบได้วิธีไหนที่ทำให้ท่านสงบท่านก็ใช้วิธีนั้นไปก็ได้ และตอนวนี้เราจะมานั่งสมาธิกันจนกว่าจะหมดเวลาตอนนี้เวลาสำหรับการนั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้วก่อนที่จะเลิกนั่งขอให้สังเกตดูวิธีนั่งว่าวันนี้นั่งแล้วเป็นยังไงบ้างสงบดีหรือไม่ถ้าสงบดีก็ให้สังเกตดูวิธีนั่งไว้จังวิธีนั่งเอาไว้คราวหน้าเวลามานั่งก็ใช้วิธีนี้ต่อไปได้เลย แล้วจิก็จะสงบต่อไปได้ถ้านั่งถ้าอยากไปนั่งแล้วอยากให้มันสงบเพราะมันจะไม่สงบด้วยความอยากมันจะสงบด้วยวิธีนั่งที่ถูกต้องถ้านั่งแล้วยังไม่สงบก็แสดงว่าสติเรายังมีน้อยก็พยายามฝึกสติในระหว่างวันให้มากขึ้นสามารถจเจริญสติได้ทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆแล้วต่อไปเราจะมีสติเพิ่มมากขึ้น กนั่งสมาธิจิตก็จะสงบและนิ่นงได้เร็วขึ้นแล้วต่อไปนี้จะขออนุโมทนาให้พรยะทา ว, วารวะหาปุราปาริปุเรนติสาขรังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาะปตะิอิชิตังปะิตังตุมหังคิปเมวะสมิชาตุ สัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัชจันโตสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารายุสุขีทีคายุโกภวะ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 เพราะถ้าเลิกแล้วจะมาถามนี่จะไม่สะดวกจะต้องขออภัยจะไม่ได้ตอบถ้าอยาถ้าไม่อยากถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่เรียนพระอาจารย์ค่ะวันนี้มีผู้รับฟังธรร ม, มานาคุติจากทาง a ฟ e b o o k พระอาจารย์สุชาติสาม้อยสิบสี่ท่าน YouTube พระสุชาติ YouTube พระชุชาติ Live 314 YouTube ด r V 54วิทยุออนไลน์14ครับ House 3หน้ากุติ185รวมทั้งหมด884ท่านค่ะแล้ถามอะไรแลยจะลบกวนถามท่าอาจารย์ครับว่าปกติเราพิจารณาส่วนใหญ่าจะพิจารณากายกับเวิทนาใช่ไหมครับ อนีนี้อยากทราบว่ารูปเสียงกลิ่นรสผลตภเราถือว่าเป็นฝั่งเวทนาใช่ไหมครับออไม่ล่ะมันก็เป็นมันก็เป็นการมคุณห้าที่เป็นตัวที่จิตไปผูกพันไปยึดไปติดไปรักไปชอบครับต้องให้เห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดั บ, บได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปพอหมดไปแล้วก็ทำให้ใจหิวโหย อยากได้ใหม่ถ้าไม่ได้ก็เศร้าโศกเสียใจให้เห็นโทษว่ามันเป็นโทษไม่ใช่เป็นคุณให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขกพอจะได้ไม่ไปอยากติดมันให้เห็นว่าเป็นเหมือนยาเสพติดก็แสดงว่าไม่เกี่ยวกับกายกับเวทนาเป็นอีกส่วนหนึ่งคือมันเป็นส่วนที่ใจไปติดไงอ้าวครับผมใจไปติดนี่แล้วต้องมาสอนใจให้เลิกติดครับอย่าไปติดยาอย่าไปติดกาแฟ กาแฟเขาลูกเสียงกิดรถเนี่ยครั บ, บุลีเล่าดูหนังฟังเพลงนี่เป็นลูกเสียงกิดรถทั้งนั้นอะ่ะดูแล้วมันจะติดเวลาไม่ได้ดูแล้วมันจะเหงามันจะเศร้าตอนนี้มันจะมียุดจุดถึงครับส่วนใหญ่คนที่นั่งสมาธิลงแล้วเนี่ยจะรู้ได้ไงั้นมันเป็นจุดที่เราควรหยอกพิจารณาพอไม่พิจารณาถ้านั่งสมาธิไม่พิจารณาสมุติออกจากสมาธิแล้วบางคนเนี่ย ได้สมาธิแล้วกินอารมณ์สงบอยู่จะรู้ได้ไงมันเป็นจุดที่เราจะต้องออกพิจารณานะครับจุดแล้วแต่เราอยากจะรู้เรื่องอะไรเราก็พิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นตายรักครับพิจารณาเดี๋ยวนั้นเลยก็ได้นะครับเมื่อไหร่ก็ได้ตอนนี้ก็ได้ถ้าไม่ได้อยู่ในสมาธินี่สามารถพิจารณาได้ตลอดเวลาทั้งๆที่ออกอยากสมาธิก็ไม่ต้องกินอารมณ์สงบพิจารณาได้เลยทพิจารณาได้แต่จะลากกิเลสได้หรือไม่นั้นก็อีกเรื่องนึงครับพิจารณาได้ว่าร่างกายเป็น มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่รเราละมันได้หรือเปล่าถ้าไม่มีสมาธิก็ละมันไม่ได้แต่ถ้ามีสมาธิเราก็ละได้เราก็ปล่อยวางได้โอเคครับขอบคุณครับตอนตอนก็ทำการบ้านก่อนไงสอนใจอยู่เรื่อยว่าทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างเป็นทุกข์ทุกอย่างไม่ใช่เป็นของเรารแล้วพอถึงเวลาเกิดความอยากได้สิ่งนัน้นสิ่งนี้ก็ดูซิว่าจะจาได้แล้วบว่ามันเป็นทุกข์ อย่าไปอยากได้มันถ้าจำได้แล้วยังอยากก็แสดงว่ากาลังสมาธิไม่มีสู้มันไม่ได้สู้ความอยากไม่ได้ต้องไปทาสมาธิให้มากขึ้นจนกว่าจะหยุดความอยากได้คำถามสักทางเฟซบุ๊กค่ะถ้าหากเราสวดมนต์เสร็จทุกครั้งเราจำเป็นต้องแผ่เมตตาให้ตัวเองก่อนแล้วค่อยแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์หรือเปล่าคะ ไม่จำเป็นหรออยู่ที่เราจะทำหรือไม่ทํานั้นเองแต่การแผ่ก็ไม่ได้แผ่นะการแผ่ด้วยการสวดไม่ใช่เป็นการแผ่เมตตาเป็นการสอนใจเตือนใจว่าเราต้องแผ่เมตตาวิธีแผ่เมตตาต้องแผ่ด้วยการกระทําพอเจอคนนั้นเจอคนนี้แล้วพอโกรธเกิดอาการโกรธเขาขึ้นมาก็ต้องให้อภัยเขาอันนั้นะเรียกว่าแผ่เมตตาไม่เอาโทษเขาแต่ถ้าไปเจอใครแล้วโกรธกันขึ้นมาด่ากันทะเลาะกันอย่างนี้ไม่ได้แผ่เมตตา ต่อให้สวดเวลานั่งสมาธิสวยกันกี่รอบกี่ครั้งก็ตามแต่พอออกมาเจอคนแล้วก็ทะเลาะกันนี่แสดงว่าไม่มีเมตตาต้องเวลาเจอกันแล้วต้องใช้เมตตานี้เป็นเครื่องสัมพันธ์กันอย่กันต้องรักกันต้องชอบกันต้องถือว่าเป็นมิตรกันถ้าเป็นมิตรอะไรนิดอะไรหน่อยก็ให้อภัยได้ใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่กให้อภยัยหรือถ้าทําอะไรก็ต้องระวังว่าอย่าไปทําให้เขาเดือดร้อนเสียหายนะ เราอย่าไปทำร้ายร่างกายเขาอย่าไปทำร้ายจิตใจเขาให้ความสุขกับเขามีขนมก็แบ่งให้เขากินอย่างงี้อันนี้เราแผ่เมตตาด้วยการกระทําไม่ใช่แผ่ด้วยการสวดสะเพสสัตาสวดไปจนวันตายก็ไม่ได้แผ่คำถามจากทางเฟซบุกค่ะ ถ้านั่งสมาธิไปเรื่อยๆจนเกิดอาการปวดที่ขานั่งดูอาการปวดไปสักพักจนอยู่กับความปวดได้เริ่มรู้สึกเบื่อคล้ายจิตไม่รู้จะดูอะไรต่อควรทแบบําอย่างไรดีคะก็ดูพุโทโธแล้วดูลมต่อเนี่ยให้มันเบื่อเบื่อแล้วเดี๋ยวมันจะเลิกมันยังไม่ถึงจุดอิ่มตัวยังไม่ถึงจุดที่สงบที่มีความสุขก็ต้องนั่งต่อไป ถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะหลวงตาคะถ้าเรายังไม่ได้ทําอะไรถ้าเรายังไม่ได้ทําอะไรผู้ใหญ่แล้วเขามาตีเขามาด่าเราเขามาทําร้ายเราเขาจะบาปไหมคะเขาบาปใครใครก็ตามทําไปทําร้ายผู้อื่นก็บาปทั้งนั้นค่ะคำถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะ ช่วงนั่งสมาธิมักจะคอแห้ ง, ท, งทั้งทั้งที่จิบน้ําก่อนแล้วจะแก้ไขยอย่างไรเจ้าคะก็ดื่มน้ําก่อนมานั่งซิเขาบอกว่าทั้งทั้งที่ทดื่มน้ําก่อนอนะแล้วถ้าดื่มก็ยังแห้งอยู่ก็ต้องปล่อยมันแห้งไปมันเป็นกิเลสมันไม่ใช่เป็นเรื่องของร่างกายก็อย่าไปสนใจก็อยู่กับพุโทโธไปอยู่กับการสวดมนต์ไปแล้วแต่เรากําลังทําอะไรแบบไหนก็ทําแบบนั้นไป มันก็เหมือนกับอาการคันบ้างอาการปวดบ้างของร่างกายอันนี้ก็เป็นเป็นเหมือนกันอาการคอแห้งก็ไม่เป็นไรก็อย่าไปสนใจมันเดี๋ยวมันก็หายไปเองบางทีก็คอไม่แห้งกับน้ำลยายเยอะอยากจะ <c oughs> มันเรื่องของกิเลสสร้างขึ้นมาทั้งนั้นค่ะคำถามจากทางยู u ูบดรวค่ะ ผมมีการมาราคะมากผมอยากถือพรหมจรรย์แต่ผมยังมีภรรยาอยู่ครับผมอยากออกจากความรักแบบตันหาผมก็เลยไม่ทำตามการมาราคะของตนเองแบบนี้เป็นการขัดเกลวหรือว่าเป็นความเห็นผิดครับ อ, อ๋อเป็นการขัดเกลว์การลดละการมาราคะนี่เป็นการขัดกิเลสให้มันออกไปจากใจเป็นความเห็นที่ถูกต้อง คำ ถ, ถามจากทางยู u ู e พระอาจารย์สุชาติค่ะขออนุญาตสรุปว่าเวลาอื่นที่ไม่ใช่นั่งสมาธิสามารถพิจารณาได้ไม่จำเป็นต้องรอว่าได้ฌานก่อนถูกต้องไหมคะเพียงแต่ว่าพิจารณาแล้วจะตัดได้หรือไม่นั้นอีกเรื่องหนึ่งถูกต้องถ้าพิจารณาแล้วตัดไม่ได้คือเห็นอะไรยองเศร้าโศกเสียใจมันทั้งที่เห็นว่ามันเป็นอ น, นิจจังเช่นเห็นเพื่อนจากไป เเศร้าโศกเสียใจก็แสดงว่าจิตไม่มีสมาธิไม่มีโอเบกขามีปัญญาแต่ไม่มีโอเบขารู้ว่าเป็นอนิจจังยอมรับได้เป็นอนิจจังแต่มันใจมันไม่ยอมรับใจมันยังเศร้าโศกเสียใจอยู่แต่ถ้าไปฝึกสตินั่งสมาธิจนใจมีโอเบขาแล้วทีนี้พอพิจารณาว่ามันเป็นอนิจจังก็เฉยได้ยอมรับได้ไม่เศร้าโศกเสียใจเป็นเรื่องธรรมดาไป ดนการพิจารณาปัญญามันมีสองลักษณะพิจารณาแบบทําการบ้านคิดไว้ตงหน้าก่อนเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วดูในใจเรารู้สึกไงทุกข์ไหมเวลาคิดว่าเราต้องแก่ทุกข์ไหมเวล า, เาต้องเจ็บไข้ได้ป่วยทุกข์ไหมเวลาเราต้องตายถ้าทุกข์ก็แสดงว่าเรายังไม่มีสมาธิต้องไปพยายามทําสมาธิให้มากๆจะมีอุเบกขาแล้วมาพิจารณาใหมา่ทีนี้รู้สึกเฉยๆแล้วอ่โอเคนี้ก็ต้องไปทําข้อสอบต่อ เาเจอไปหาหมอหมอบอกเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายดุ จ, จะทุกข์หรือไม่ทุกข์ใครยังทุกข์อยู่ก็ต้องใช้สมาธิแล้่างี้ยเพราะเรารู้แล้วเราต้องอเรายอมรับแล้วมันต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแตกิเลสมันไม่ยอมรับกิเลสต้องใช้ต้องใช้สมาธิถึงมันถึงจะหยุดมันได้การพิจารณาล่วงหน้าก่อนนี่เป็นการซ้อมไว้ก่อนบอกให้เรารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเป็นเป็นการทําการบ้าน ร่างกายเราต้องแก่ร่างกายเราต้องเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายของผู้เราทุกคนต้องตายจากกันไปเพอจะเพื่อจรู้ว่ามันต้องเกิดขึ้นเราจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้อย่างไรถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องยอมรับความจริง อ, อยู่เฉยๆไปทำอะไรไม่ได้มันเป็นอนัตตามันเป็นสภ า, าวธรรมทางทางธรรมทางปรากฏการทางธรรมชาติมันฝนตกแ ด, ดออกเราห้ามมันไม่ได้แต่เราไม่ทุกข์กับมันได้ ในการยอมรับมันตกก็ตกไปสิตายก็ตายไปสิเจ็บก็เจ็บไปส uh huh. ต้องยอมรับถ้ายอมรับแล้วใจไม่ทุกข์แสดงว่าเรามีเรามีอุเบกขามีสมาธิ uh huh. ถ้ายอมรับแล้วแต่ใจยังสั่นอยู่ใจยังทุกข์อยู่ก็แสดงว่าไม่มีสมาธิก็ต้องไปฝึกสมาธิให้ใจนิ่งให้ได้ก่อนคำถามสักทางยูทูบดรวีค่ะ ขณะนั่งสมาธิขั้นต้นเหมือนร่างกายหลังน้ำลายออกมามากเราต้องปล่อยให้หลังมาตามธรรมชาติโดยไม่บังคับร่างกายถูกไหมครับเพราะเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งขณะอยู่บนเครื่องบินพยายามลองทําสมาธิแต่กลับสําลักน้ําลายครับเวลานั่งสมาธิเราต้องปล่อยร่างกายอย่าไปยุ่งกับร่างกายถ้ายุ่งกับร่างกายใจเราจะไม่เข้าสมาธิเพราะการเข้าสมาธิก็คื อ, คอการแยกใจออกจากกาย ถ้าใจยังไปติดอยู่กับร่างกายอยู่ก็เข้าสมาธิไม่ได้ไม่มีแล้วใช่ไหมยังไม่มีคำถามมหมค่ะพี่กาอยากจะถามหม้เชิญถามได้นะมีเวลาอยู่นิดหน่อยถ้าอยากจะถามว่าเดินเข้ามาหยิบไม้ไปเชิญ ขอโ อ, อ ก, กาสค่ะหนูว่านั่งพุโทโธต่อเนื่องแล้วหนูก็จะลืมพุโทโธจะมีวิธีการอย่างไรคะที่จะไม่ลืมพุโทโธเจ้าค่ะก็ดึงมันกลับมาใหม่สแสดงว่าสติมันไม่มีแล้วะ ก, ก็ต้องไปฝึกสติให้มากขึ้นก่อนมานั่งสมาธิพยายามฝึกสติทั้งวันเลยพยายามหัดพุดโทโธไปเรื่อยๆทั้งวันเจ้าค่ะตื่นขึ้นมากับพุโทโธพุโทโธไป เวลาอาน้านั่งหน้าแปลงคไฟก็พุโทโธพุโทโธไปทําให้มันติดเป็นนิสัยแล้วมันจะไม่ลืมเจ้าค่ะแล้วต่อไปเวลานั่งสมาธิพุโทโธก็จะอยู่กับเราไปเรื่อยๆอันนี้สติเรายัางน้อยเราฝึกน้อยพอมานั่งฝึกพุโทโธได้สองสามคำมันก็ลืมนะเจ้าค่ะสติมันหายไปแล้วให้มันฝึกสติให้ ม, มากๆก่อนสติเรายัางมีน้อยมากหรือถ้าถ้ามันลืมเพราะพุโทโธมันสั้นลองสวดมนต์ไปดูสิไม่ให้มันลืม ส่วนเอติปิโสไปดูถ้าจะลืมไหมวันทีก็ลืมนะสวดไปแล้ปแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หายไปละเพราะสติเราไม่มีมันจะเคริมดับมากกว่างั้นพยายามฝึกสติก่อนค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะอ่าอีกท่านหนึ่งเชิญ๋อไม่มีเลยคำถามสักทางยูทู u ด e อกตอร์ีค่ะ ทำไมพระถึงห้ามฉันข้าวตอนหลังเที่ยงวันครับเพราะการกินข้าวมันจะทําให้ง่วงนอนแล้วมันจะทําให้ขี้เกียจจะไม่อยากปฏิบัติธรรมแล้วมันจะเพิ่มการมาราคาให้มีมากขึ้นยิ่งอิ่มมันก็ยิ่งอยากจะเสดกามมากขึ้นต้องตัดเวลามันหิวมันไม่คิดถึงกามมันคิดถึงอาหารก่อนแต่พอมันอิ่มแล้วทีนี้มันก็คิดถึงกามต่อ คำถามจากทางยูทู u ด e อกเตอร์ีค่ะถ้าเราจะขายอาหารเครื่องดื่มแต่ส่วนผสมที่อร่อยด้วยวัตถุดิบที่ทำให้สะสมทำให้ผู้บริโภคอาจเกิดโรคต่างๆเช่นเครื่องเหลืองต่างๆเบเกอรี่และอื่นๆถือเป็นอาชีพไม่ชอบหรือไม่เจ้าคะมันก็มีส่วนทำให้คนอื่นเข้าเสียหายเดือดร้อนก็อย่าทำใช้สารที่ปลอดปลอดสารพิษก็แล้วกัน คำถามจากทาง YouTube อาจารย์สุชาติค่ะเมื่อสองอาทิตย์ก่อนได้ผ่าตัดมดลูกก่อนหมอวางยาสลบได้ท่องพุโทโธไปจนหลับพอฟื้นตัวขึ้นมายังอยู่กับคำบริกรรมพุโทโธแสดงว่าจิตใจเรายังอยู่กับพุโทโธใช่ไหมคะใช่แสดงว่าเรามีสติถ้าฝึกพุโทโธไปเรื่อยๆต่อไปมันจะเป็นอัตโนมัติมันจะอยู่กับใจเราไปเรื่อยๆ บางทีเราไม่ได้สั่งมันให้มันพูดโธมันก็พูดโธพูโทโธของมันไปพูดโธแล้วใจก็จะเย็นใจจะสบายไม่เครียดหมดแล้วนะคำถามก็ท่านนี้ก่อนสาหรับวันนี้ขอให้ท่านจนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิ